จากมาแสนไกลตั้งใจศึกษาเพื่อวันข้างหน้าจะเอาความรู้ไป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 ให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝังฝันที่ฉันมุ่งหวังนังใจต้องการเป็นความผาดูงจากรู้วม่วงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดำคูตนต้นโตนสู่แดดฝนไม่วัน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 สัทธาบัน นั้นแด่งบ้านงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานํำพาด้วยคนนุณธรรมนอบนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทา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 นำข่าวสารที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันเรายังอยู่ในสภาวะที่เข้มงวดต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 และโควิด -19 เดี๋ยวะครับซึ่งตรงนี้ก็มีมาตรการต่างๆออกมากันหลากหลายนะครับซึ่งในวันที่28 เมษายนที่ผ่านมามีการประชุมคอรมอนะครับซึ่งในส่วนนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาในุงตรีก็ออกมาถแถลงข่าวมาเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลต่ออายุพรกบบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือนคื อ, คอตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปแล้วก็ยัง เพราะฉะนั้นเพื่อที่ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่วนมาตรการจำกัดการเข้าออกในประเทศในรัฐจักรเนี่ยนะครับก็ให้ขยายไปจนถึง31พฤษภาคมเช่นกันนะซึ่งตรง น, นี้ก็คือทั้งเครื่องบินนะครับสนามบินนี่ก็ยังปิดอยู่แล้วก็ทั้งทางบกทางน้ำ ใ น, ในทุกทางลครับนะยกเว้นการขนสินค้านะแล้วก็บริการรับส่งสินค้าส่วนคนไทยจะกลับประเทศก็ทำได้แต่ก็จะต้องมีมาตรการในการกักตัวลครับแนตะ่กักตัว14วันอย่างที่บอกนะครับแล้วก็เคอร์ฟิวยังยังคงอยู่นะคือเคอร์ฟิวก็ห้ามออกนอกบ้านในช่วง4ทุ่มจนถึงตี4นะครับซึ่ง ก็ยังเข้มงวดกันอยู่นะครับหึงตรงนั้นนี่ก็แล้วก็บอกนายงตรีบอกว่าจะผ่อนปลนเป็นเป็นสีระยะมีสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงซึ่งแต่ละระยะก็ห่างกัน14วันนะครับก็ก็ต้องติดตามดูมีจะเดี๋ยวจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอธิบายนะครับนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะผ่อนคลายอะไรกันกันได้บ้างนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่โคศกสํานักนายงตรี นางนฤมลพินโยสินวัตรก็บอกบอกเพาว่าการคณะรัฐมนตรีคลมมีมติไม่เลื่อนวันหยุดพิเศษในเดือนพฤษภาคมซึงมันจะมีวันหยุดอยู่4วันนะครับเดือนพฤษภาคมคือวันแรงงานวันที่หนึ่งพฤษภาแล้วก็วันชัดมงคลนะครับวันวิสาขบูชาแล้วก็วันพืชมงคลก็คือยังคงไว้นะครับนะยังคงไว้ยังเป็น เป็นวันหยุดนะแต่ก็อยากจะเตือนว่าประชาชนก็อาจจะไม่ต้องไปชุมนุมกันมากนะฮนะไปเที่ยวไปอะไรอาจจะต้องงดเว้นนะครับนะถึงแม้ จ, จะเป็นวันหยุดนะก็ต้องงดการรวมตัวกันนะเพราะกลัวการแพร่ระบาดของเชื้อนี่แหละครับนะและนอกจากนี้นะี่คอรมอรบอกว่าเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการการกลองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่มีในทศพรสิริสัมพันธ์เลขาสภาพัฒน์เนี่ยสเสนอเยียวยานะครับชดเชยให้กับภาคประชาชนเกษตรก ร, ะ ร, กรนะซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 เกนี่ยนะก็ใช้วงเงินประมาณ 390,000 ล้านนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับนะคลมอก็อนุมัติแล้วนอกจากนี้ อย่งโฆษกสำนักนายกก็บอกว่าจะมีการขยายการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานลูกจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระนะที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ยนะครับเราไม่ทิ้งกันก็จะเพิ่มให้อีก2ล้านคนจากเดิมนี่วางไว้14ล้านก็เพิ่มเป็น16ล้านคนก็จ่ายเดือนละ 5,000 บาท3เดือนนะก็ทำให้กอบ การจ่ายเงินที่เคยอนุมัติไว้ประมาณ 200,000 ล้านก็ต้องเพิ่มไปอีก 30,000 ล้านเป็น 204,000 0ล้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะใช้งบประมาณประจำปี2063จำนวน 70,000 ล้านนำมาจ่ายในช่วงแรกส่วนที่เหลือก็จะมาจากเงินกู้ประมาณแส0 0 0 0ล้านนะครับซึ่งก็พยายามที่จะ เบิกใจให้ได้เร็วที่สุดนะในในภายในเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเพราะว่าประชาชนเรียกร้องกันกันมากเราจะเห็นมีประชาชนไปเรียกร้องที่หน้ากระทรวงกันคลังกันทุกวันนะครับบางรายนี่า จ, จะพยายามที่จะกินยานะทำร้ายตัวเองเนก็มีอยู่แล้วนะครับทั้งๆที่เพราะว่าชาวบ้านก็ไม่รู้ปรากฏศไว้ได้รับอนุมัตินะเงินแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ อาจจะต้องพยายามที่จะให้ทั่วถึงคนยากคนจนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ในโคศกสำนักนายกก็บอกว่าคอรมออนุมัติช่วยเหลือกเกษตรกรชาวบ้านนะครับนะที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 เนี่ยพอจะจ่ายเงินให้กับกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไวสิบล้านครัวเรือนนะครับนะเป็นครอบครัวนะครับ รายละประมาณ 5,000 บาทมีระยะเวลา3เดือนก็เหมือนกับกลุ่มแรกกลุ่มแรงงานเหมือนกันโดยจะให้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะก็จะใช้เงินประมาณแส0 0 0 0ล้านก็เอาไว้สำหรับให้กับเกษตรก ร, ร, กรชาวไร่ชาวนาคนในชนบทบนะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่ก็มีการให้ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมกา ร, กรเกษตรประมาณ6ล้านลายนะกรมปศุสัตว์อีกประมาณล้านหกแสนกรมกประมงอีกห0แสนนะครับบุคคลเหล่านี้แหละครับที่ขึ้นทะเบียนไว้นี่ก็จะสามารถที่จะกู้เงินระยะสั้นนะไปไปไปบรรเทาความเดือดร้อนได้เหมือนกันนะเป็นมาตรการ คือช่วยทั้งในส่วนของภาคแรงงานแล้วก็ภาคภาคเกษตรนะว่าอย่างนั้นนะครับและนอกจากนี้นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายงตรีก็เปิดเผยบอกว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้นะกับรัฐบาลจะได้เงินเยียวยาเดือนละ 5,000 สามเดือนโดยผ่านทกสละครับนะเพราะส่วนใหญ่ในชาวบ้านก็จะกู้เงินจาก ท, ทางทกสเป็นหลักนะครับก็จะจ่ายเงินไปตามบัญชีของธนาคารนี่นะครับนะแลวถ้าหากมีชาวบ้านหรือเกษต ร, รกรรายใดยังไม่ขึ้นทะเบียนก็จะมาสามารถมาขึ้นทะเบียนได้ภายในวันที่15พฤษภาคมนะรัซึ่งรัฐบาลก็จะจ่ายเงินเดียวยานะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนี่ชาวบ้านเกษต ร, รกรท่านใดยังไม่ขึ้นทะเบียนก็ไปไปขึ้นทะเบียนไว้ นะครับนะเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาก็ก็จะมีหลายๆส่วนนะครับเสนออย่างฝ่ายค้านเสนอว่าน่าจะมีการาจ่ายเงินเยียวยาตามหลักฐานของอาการเสียภาษีนะครับหรือว่าตามาตามฐานของเลขบัตรประชาชนก็คือเป็นการจ่ายทวนหน้าเหมือนกับในบางประเทศทำอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าแถวยุโรปนะแถวประเทศอื่น แต่ก็แล้วแต่แต่และแต่และประเทศก็จะมีมาตรการที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็ต้องดูว่าให้ถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับนะเพราะว่าบางคนตกงานกันมาสองสามเดือนนี้ก็อาจจะไมมีรายได้ที่พอจะจุนเจือครอบครัวนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคงจะต้องดูนะครับนะว่าถ้า สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างรวดเร็วก็จะเกิดประโยชน์ต่อต่อชาวบ้านต่อแรงงานที่ยังหลงังยังว่างงานอยู่นะครับแนตะซึ่งตรงนี้นี่าการสํารวจการตรวจสอบนี่าาใช้กลไกลผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่อาจจะรวดเร็วกว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัเดือดเจ้าหน้าที่ถึงรัฐบาลกลางที่ลงมาสอบทานสิทธิ์ล่ะครับนะเพราะตรงนี้นี่คงจะต้อง พิจารณาจากหลายๆฝ่ายแต่ในขณะเดียวกันก็จะเราจะเห็นภาพเอกชนมู ล, ลนิธินะพวกาการกุศลต่างๆนะดาราบ้างอะไรต่างๆบ้างนะครับทำอาหารแจกเอาสิ่งของมาแจกกับประชาชนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะว่าถ้าทําเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไปได้นะครับในแต่ละจังหวัดนี้ก็มีมู ล, ลนิธิอะไรต่างๆการกุศล มาแจกข้าวของกับชาวบ้านนะถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะเกื้อกูลกันเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะในสภาวะที่คนะ่อนข้างที่ชาวบ้านนี่ค่อนข้างที่จะลาบากนะครับนะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ไกลสุดตานนองนางอย่าจางรักกันจงเก็บใจไว้รอรออย่าลืมสัมพันธ์ ใดจะมีบไปหายังไม่ลืมวันที่จากมาสุดเ ว, วา้าน้งตายังเพื่อนเปียกหมอนหลับยังฝันทุกคืนตื่นห่วงหาหัวใจอาวนอนผู้งามงอนเจ้าจะลับฝันถึงกันหรือเปลา่า จะนานแสนนานเพียงไงไม่วันขอให้เธอรักฉันรักมันสองเราเติมแต่งความคนึงคิดถึงกันคำ่ำเช้าสุดขภาพรักเราจะไม่อ่อน สุดเว้าน้ตายังเพื่อนเปียกหมอนหลับยังฝันทุกคืนตื่นห่วงหาหัวใจอาวรห่วงงามงนเจ้าจะละฝันถึงกันหรือปล่านานจะนานแสนนานเพียงไหนไม่วัน ให้เธอรักฉันรักมันสองเราเติมแต่งความคนึงคิดถึงกันคำชา้าส่งขภาพ ร, รักเราจะไม่ออก พูดมาคุยกันต่อในส่วนของกทมเนี่เริ่มนะครับมีการปลดล็อกนะ ส, สถานที่ต่างๆซึ่งแต่ละจังหวัดก็อาจจะยึดตามแนวของกทมนี่แหละครับนะในหลายๆจังหวัดก็จะยึดตามแนวนั้นนะซึ่งจากการเปิดเผยขอ ง, ร, ร, อ ง, งร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกทมก็บอกบอกว่ากทมจะปลดล็อกผ่อนไข้ ให้เปิดบริการได้ใน8สถานที่ประกอบการอันได้แก่อันแรกคือร้านอาหารนอกห้างสรรพสินค้าที่นั่งรับประทานที่ร้านได้แต่ก็จะต้องมีมาตรการอย่างเช่นมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของคนลูกค้านะครับที่มาใช้บริการหรือว่างดการให้บริการอาหารบุฟเฟ่ตนะหรือประกอบ อาหารเองที่โต๊ะเนี่ยก็อาจจะ ง, งดบริการก็แสดงว่าอย่างพวกเนื้อย่างเกาหลีอะไรอาจจะยังไม่ได้นะกรมอแล้วจัดให้มีฉากกั้นระหว่างอาหารกับผู้ใช้บริการนะมีมาตรการนี่ของกทมจังหวัดอื่นก็คงจะก็คงจะยึดตามแนวนั่นแหละครับนะมีการทําความสะอาดอะไรต่างๆจัดที่นั่งเว้นระยะห่างแล้วก็ผู้ ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัยและเฟซชิล e นะกันน้ำลายกระเด็นส่วนลูกค้านี่ก็คงจะต้องอใส่หน้ากากอนามัยแล้วครับอันที่สองนี่ที่เขาจะผ่อนคลายก็คือตลาดตลาดนัดเนี่ยก็จะให้เปิดได้เต็มรูปแบบโดยมีการกำหนดจุดเข้าออกมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ และวก็ผู้บริการอาหารที่ปรุงสาเร็จเพื่อมีฉากกั้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายงดบริการเครื่องเล่นในในตลาดนัดนะพวกเครื่องเล่นนะพวกม้าหมุนพวกบ้านลมบ้านบอลอะไต่างๆร้านตัดผมร้านเสริมสวยก็ให้บริการได้เฉพาะที่ตัดสะได้นะ ก, ก็คือบริการได้แต่ต้องมีคิวนะครับนะมีคิวให้บริการพยายามให้คนไม่ไม่มากนะในในร้านก็มีการผ่อนคลายนะฮะนะได้นี่อันที่3นะอันที่สนี่สถานบริการคลินิกก็เปิดให้บริการได้ยกเว้นร้านสถานเสริมความงามหรือสถานควบคุมน้ำหนักคือสถานพวกคลินิกแพทย์อต่างนี้ก็เปิดให้บริการได้นะครับ อันที่5นี่สนามกอล์ฟสนามฝึกซ้อมกอล์ฟนะก็สามารถเข้าไปได้ได้นะแต่ว่าก็ไม่ให้มีการแข่งขันไม่มีการจับกลุ่มไปได้กอล์ฟกันได้และอันที่6นี่สนามกีฬานะก็ให้เล่นกีฬา3าประเภทคือวิ่งแบดบินตันเทนนิสทำนองนี้นะครับอันที่7สวนสาธารณะก็เปิด ออกกำลังกายได้คือให้คนเข้าไปในสวนสาธารณะได้นะครับไปเดินไปวิ่งไปปั่นจักรยานแต่ก็ยังงดกิจกรรมที่รวมกันเป็นกลุ่มอย่างเช่นรวมตัวกันเต้นออร์ลบิกล้ำวยจีนการเครื่องออกกำลังกายฟิตเนสได้ต่างๆนี่ก็ยังงดอยู่ไม่ให้มีการชุมนุมกันนะครับอันที่8ดนี่ก็ให้เปิดร้าน ตัดขนสุนักได้นะครับนะร้านก็ใช้มาตรขานเดียวกันกับร้านเสริมสวยเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามีอยู่แดอย่างที่เขาเขาเขาผ่อนคลายนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดนี่ก็คงจะยึดตามแนวของของกทมเนี่ยะครับนะที่มาเปิดโดยเฉพาะตลาดนัดนะตลาดนัดนี่นะครับเพราะว่าเป็นแหล่งท ร, รมาหากินของคนยากคนจนแล้วก็ ชาวบ้านทั่วไปก็มักจะนิยมนะครับไปไปซื้อหาอาหารตลาดนัดนี่ก็ผ่อนคลายให้เปิดได้แล้วนะครับซึ่งแต่และจังหวัด น, นี่ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรทางด้านกระทรวงการคลังเนี่ยนายละวันแสงสนิทโคศกกระทรวงการคลังตอนนี้ก็บอกว่ากระทรวงรับทราบกรนเลนีที่ประชาชนลงทะเบียนเยียวยา รับเงินอยู่อย่า0 0บาทผ่านเว็บไซต์นะแล้วก็มาเรียกร้องสิทธิอยู่หน้ากระทรวงนะซึ่งตรงนี้นีนกระทรวงก็บอกว่าจะไปตรวจสอบให้นะครับว่าผู้ที่มาเรียกร้องเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือไม่นะครับนะเพราะว่าตอนนี้นี่ก็บอกว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ1 0บล้านหแสนคนนะเข้าระบบแล้วนะส่วนกรณีของ คุณป้าที่มานอนขวางประตูกระทรวงการคลังก็อยู่ในกลุ่มที่ได้รับเงิน 2.6 ล้านคนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะจะจะจะได้เงินนะฮะนี่นกระทรวงโฆศกกระทรวงการคลังบอกนะครับว่าก็มีมีป้ามาประท้วงมาอยู่ที่หน้ากระทรวงการคลังเนี่ยก็ก็บอกว่าจะได้สิทธิ์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับนะว่าว่าจะทํา มาตรการอย่างไรในขณะที่กระทรวงอุดมศึกษาเนีน่ยนสุวิทย์เมษิสินสีรัตมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาก็บอกว่าอุดมศึกษานี่ก็จะเปิดโครงการจ้างงานหมื่นคนนะสร้างงานให้กับประชาชนที่ว่างงานจากสถานการณ์โควิด -19 นะโดยจะจ้าง เป็นระยะเวลา5เดือนค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาทรัฐมนตรีอุดมศึกษาว่าอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็ไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะอายุสาขาที่สำเร็จนะแต่ขอให้เป็นคนในพื้นที่นะเพื่อลดการเดินทางนะซึ่งและเป็นประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิการเยียวยาจากพักราท่0พัน เพราะฉะนั้นนี่ก็ไปสมัครได้นะครับในในพื้นที่ต่างๆโดยจะให้มหาวิทยาลัยของรัฐ39แห่งนะเป็นคนรับสมัครประชาชนเข้าไปทำงานนะเพราะฉะนั้นติดต่อมหาวิทยาลัย39แห่งก็กระจายกันอยู่ทั่วประเทศคงจะเป็นทั้งมหาวิทยาลัยหลักของรัฐ14แห่งแล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฒนนะแล้วก็ในส่วนของ ราชมงคลอะไรเนียกระจายกันไปทั่วทั่วประเทศแะครับนะเพราะนี่นตรงนี้นี่เขาบอกไว้อยู่ท่านก็ติดต่อตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะทั่วประเทศลองไปถามดูแะครับนะเผื่อจะได้ทำงานนะครับจนะทงานกระทรวงนี้บอกว่าจะประมาณมีมีอัตราให้ประมาณหมื่นหมื่นคนกระจายอยู่ทั่วทุกภาคนะครับเป็นการผ่อนคลายนะครับรปัญหากัน การว่างงานอะไรต่างๆนะเพราะั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับนะก็ช่วยกันในหลายๆส่วนมาจะได้ขี้ข่ายกันสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาเลื่อมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลทา น, านันต้องขอลาท่านคนไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ที่เธอพบเจอเป็นแค่เพียงความฝันก็จะทำถึงที่สุดให้ฝันนั้นเป็นจริงได้จะนักหนาสักเท่าไหร่จะทนก็เพียงให้เธอสมใจ ให้มีแต่คนเข้ามารักเธอเพราะเธอคือคนสำคัญเป็นได้ดังดวงชีวันเพราะเธอคือลูกของฉันจะรักในเธอเรื่อยไปโปรดจงรู้เอาไว้วันนี้ฉันมีเพียงเธอคือความหมาย หลงห็นใจเห็นหน้าที่ไรหัวใจก็เป็นสุข นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ